สิ่งที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าจิตสํานึกการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตสํานึกนั้นเห็นได้ชัดว่าคุณต้องมีสภาพจิตที่สดใหม่คุณอาจจะเคยอ่านตําราอาจมีแนวคิดและความคิดเห็นของคุณแต่สิ่งที่คุณได้อ่านความคิดเห็นของคุณความรู้ของคุณที่รู้ตามใครบางคน ทั้งหมดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่จริงไม่ใช่ความเป็นจริงเพื่อที่จะเข้าใจความเป็นจริงความคิดเห็นไม่จําเป็นเลยมันกลับเป็นอุปสรรคในการสื่อค้นเข้าสู่จิตสํานึกคุณต้องเป็นอิสระไม่ถูกพันธนาการไว้ด้วยทฤษฎีหรือความรู้ใดๆสิ่งจําเป็นประการแรกสําหรับบุคคลผู้จริงจังที่ต้องการจะเรียนรู้คือเขาต้องเป็นอิสระ ที่จะถามคนนั่นหมายถึงไม่มีความกลัวเป็นอิสระที่จะดูสังเกตวิาพากษ์วิจาร์เงหนสงสัยด้วยสติปัญญาและไม่ยอมรับความคิดเห็นใดๆเรากาลังจะถามคนเข้าสู่อะไรบางอย่างซึ่งต้องการความใส่ใจทั้งหมดของคุณแต่คุณไม่สามารถใส่ใจได้หากว่าคุณมีความคิดเห็นมีแนวคิด มีสู่สําเร็จหรือมีความรู้ที่ผู้อื่นพูดไว้ดังได้กล่าวมาก่อนแล้วว่าหากคุณเดินทางภายใต้แสงสว่างของผู้อื่นแสงสว่างนั้นจะพาคุณไปสู่ความมืดมนไม่ว่าผู้ให้แสงสว่างนั้นจะเป็นใครก็ตามแต่การเดินไปในแสงสว่างแห่งความเข้าใจของตนเองจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความใส่ใจรับรู้และเงียบสงบและนั่น เรียกร้องว่าต้องมีความตั้งใจมั่นอันยิ่งเราต้องเรียนรู้ด้วยความใหม่สดเกี่ยวกับหนทางใหม่แห่งการดำรงอยู่และเพื่อที่จะค้นหาในเรื่องนี้คุณจำต้องสืบค้นเข้าสู่สภาวะจิตนี้จิตสำนึกนี้ว่าเป็นไปได้ไหมที่จิตสำนึกจะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงจากพื้นฐานจากรากเหง้า จิตสำนึกนั้นเราหมายถึงความคิดความรู้สึกและการกระทาทั้งที่สำนึกรู้และไม่สำนึกรู้โดยทั่วไปแล้วจิตสานึกหมายถึงกระบวนการคิดทั้งหมดทั้งอินทรีย์ประสาทที่สร้างความรู้สึกทั้งสู่สสำเร็จแนวคิดมโนทัศน์ความคิดเห็นความเชื่อว่าสิ่งใดมีอยู่หรือไม่มี เหล่านี้ล้วนอยู่ภายในพื้นที่ของจิตสํานึกจิตสํานึกเป็นผลของการเวลาการเวลาที่เป็นระยะเวลาเวลาหลายๆปีและเวลาที่เป็นกระบวนการวิวัฒนาการที่เริ่มขึ้นจากสภาวะที่ไร้ความคิดไปจนถึงการคิดได้อย่างลึกล้ำที่สุดวิวัฒจากสิ่งที่มีความรู้สึกตื้นๆไปจนถึงความรู้สึกอล้ําลึกทั้งมวล น, นี้ แสดงถึงการเวลาอันยาวนานไม่เพียงเวลาตามเข็มนาฬิกาเท่านั้นแต่เป็นการเวลาทางจิตใจเวลาภายในด้วยความคิดคือจิตสํานึกความคิดคือการเวลาและกระบวนการคิดใช้เวลานานหลายพันปีผ่านความรู้ความเจ็บปวดความทุกข์ยากและอื่นๆทั้งหมดเราจึงมีความสามารถที่จะคิด การคิดมีทั้งที่สํานึกรู้และไม่สํานึกรู้ทั้งการคิดที่สํานึกรู้และไม่สํานึกรู้ล้วนอยู่ภายในจิตสํานึกแต่เราแบ่งจิตสํานึกออกเป็นสองส่วนเพื่อความสะดวกในการอธิบายทว่าแท้จริงแล้วไม่มีการแยกกันเช่นนั้นจิตสํานึกคือผลของประสบการณ์ข้อมูลความรู้ และจารีตที่มีมานานหลายศตวรรษจารีตของอดีตอันนานโพ้นหรือจารีตของสองสามปีและแม้เมื่อสองสามวันนี้ซึ่งรวมทั้งอิทธิพลจากเทคโนโลยีและความรู้ทางเทคนิควิทยาทั้งหมดนั้นอยู่ในพื้นที่ของจิตสำนึกทั้งที่สำนึกรู้และไม่สำนึกรู้เรากระทำอยู่ภายในขอบเขตนี้ และภายในขอบเขตนี้มีความทุกโศกความสุขเพลิดเพลินและความเจ็บปวดทั้งความทุกโศกที่เราสานึกรู้ถึงมันได้และความทุกโศกซึ่งอยู่ในห่วงลึกยังค้นไม่พบแต่เป็นความทุกโศกที่แผ่คลุมจิตใจอยู่เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงจำต้องอยู่เหนือพ้นจิตสานึกนี้นั่นคือเหนือพ้นการเวลา แต่ความคิดใดที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตของจิตสำนึกก็ยังเป็นการเวลาเราจึงบอกว่าเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนนั้นต้องใช้การเวลาหรือกระบวนการที่ค่อยเปลี่ยนค่อยไปแต่ไม่ว่าเราจะพูดว่าเราเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดหรือพูดว่าเราจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในชาติหน้าหรือชีวิตภายภาคหน้านั่นก็ยังอยู่ในขอบข่ายของจิตสานึก ตราบใดที่ความคิดยังปฏิบัติการอยู่ภายในอนณาเขตนั้นความคิดก็คือการเวลาความคิดไม่สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เลยมันทําได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนดัดแปลงเป็นบทบาทที่สืบต่ออยู่ในรูปโฉมที่ปรับเปลี่ยนแล้วเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนภายในขอบเขตนี้การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงเป็นไปไม่ได้เลย ผมคิดว่าตรงนี้สำคัญที่เราต้องเข้าใจให้ชัดเจนเพราะภายในอนณาเขตนี้ทุกบทบาทล้วนเป็นผลของความคิดทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวและความคิดนั้นกำหนดคุณค่าทั้งหลายขึ้นคุณค่าเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของความสุขเพลิดเพลินคุณค่าทุกอย่างของเราอยู่บนพื้นฐานของความสุขเพลิดเพลิน คุณค่าทางศีลธรรมจริยธรรมหรือที่เรียกกันว่าคุณค่าอันประเสริฐแท้ที่จริงแล้วมีพื้นฐานอยู่บนความสุขเพลิดเพลินตราบใดที่เราอยางปฏิบัติการหรือพยายามทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยความคิดซึ่งอยู่ภายในอนาเขตนั้นแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เลยเพราะความคิดทาได้เพียงสร้างความขัดแย้งเท่านั้น กรุณาอยายอมรับหรือไม่เห็นด้วยหรือปฏิเสธสิ่งที่พูดนี้ขอให้ตรวจสอบมองดูมันประหนึ่งคุณมองดูเป็นครั้งแรกหากคุณทำได้ที่สุดแล้วนี่เป็นศิลปะแห่งการฟังที่แท้จริงไม่ใช่หรือพวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยรับฟังเลยคุณได้ยินแต่การฟังบ่งบอกถึงความเข้าใจและการที่จะใส่ใจได้นั้น ต้องวางคุณค่าทั้งหมดหวางความคิดเห็นการตัดสินการวัดค่าและการแปลความทั้งหมดจากนั้นคุณจึงสามารถรับฟังเพื่อนของคุณภรรยาของคุณหรือฟังสิ่งใดก็ตามในทำนองเดียวกันเราต้องค้นหาว่าจะก่อให้เกิดการปฏิวัติล้มล้างอย่างสิ้นเชิงภายในจิตและภายในหัวใจของมนุษย์ได้อย่างไร ซึ่งไม่ใช่ในแง่ของการเวลาไม่ใช่ในลักษณะที่ค่อยๆวิวัฒนาการความคิดคือคกลไกทั้งหมดที่เก็บสั่งสมรวบรวมความจําโดยผ่านประสบการณ์ความรู้ความกดดันทุกรูปแบบทั้งแรงบีบคั้นและอิทธิพลทั้งปวงความคิดไม่สามารถนำมาซึ่งการปฏิวัติจากรากเงาได้เลยไม่ว่าภายใต้สภาพใดหรือโอกาสใดก็ตาม เพราะเหตุใดจึงทําไม่ได้เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วความคิดอยู่บนพื้นฐานของความสุขเพลิดเพลินที่ใดมีความสุขเพลิดเพลินที่นั่นย่อมมีความเจ็บปวดเสมอทั้งคุณค่าทางศิลธรรมสังคมและจริยธรรมของเราทั้งหมดล้วนอยู่บนพื้นฐานของความสุขเพลิดเพลินความเชื่อทั้งหมดของเราซึ่งก็คือกระบวนการคิด เชื่อในพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าก็ยังเป็นการสแสวงหาความอบอุ่นใจสบายใจหาความมั่นคงปลอดภัยทางจิตใจซึ่งยังคงอยู่บนพื้นฐานของความสุขเพลิดเพลินฉะนั้นจึงมีความขัดแยง้งและมีแรงพยายามอยู่เสมอเมื่อมีการกระทำใดที่อยู่ในขอบเขตของจิตสานึกในเมื่อจิตสานึกคือการเวลาการกระทาในขอบเขตนั้น จมก่อความขัดแย้งและความทุกโศกเพื่อที่จะนำมาซึ่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในมนุษย์การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนต้องอยู่นอกอนณาเขตของจิตสำนึก